พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเทวตาสังยุตวักที่หกชราวักหมดว่าด้วยชราชราสูตรเทวดาทูลถามว่าอะไรยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราคือความแก่อะไรตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย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 อัชชะรสาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดเทวดาทูลถามว่าอะไรที่ไม่ชำรุดคือไม่ถึงวิบัติอย่างประโยชน์ให้สำเร็จอะไรตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาตรัสตอบว่า ศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจนลักไปไม่ได้มิตรสูตรว่าด้วยมิตรเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นมิตรของคนเดินทาง อะไรเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์คือมีกิจเกิดขึ้นอะไรเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้าเราผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกหมู่เกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางมันดาเป็นมิตรในเรือนของตนสหายเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์ คือผู้มีกิจเกิดขึ้นหนึ่งเนืองบุญที่ตนทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้าวัตถุสูตรว่าด้วยที่พึง่งเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอะไรเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้มูสัต ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายพัญญาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้มูสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพปทมชนสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่หนึ่งเทวดาทูลถามว่าอะไรทำคนให้เกิดอะไรของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเวียนว่ายในสงสารอะไรเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทาคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไป สัตว์เวียนไหวในสงสารทุกเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นทุติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สองเทวดาทูลถามว่าอะไรทำคนให้เกิดอะไรของคนนั้นย่อมพลานไปอะไรเวียนไหวในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทาคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกคาว่าสัตว์ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับแต่หมายรวมทั้งสัตว์คนเปรตเทวดาพรหม ในข้อนี้คือตราบใดยังมีตัณหาสัตว์ทั้งหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากทุกได้ตติยะชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สามเทวดาทุลถามว่าอะไรทำคนให้เกิดอะไรของคนนั้นย่อมพลานไปอะไรเวียนว่ายในสงสาร อะไรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าตัณหาทําให้คนเกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นอุปัฏสูตรว่าด้วยทางผิด เทวดาทูลถามว่าอะไรบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดอะไรสิ้นไปตามคืนละ ว, วันอะไรเป็นมนทินของพรหมจรรันทร์และอะไรมีช่ายน้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารคาคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดไัยสิ้นไปตามคืนละ ว, วัน หญิงเป็นมนทินของพรหมจรรันทร์มูสัตว์นี่งข้องอยู่ในหญิงนั่นตะบะและพรหมจันท ร, ร์นั้นไม่ใช่น้ําแต่เป็นเครื่องชําระล้างข้อที่ว่าหญิงเป็นมนทินของพรหมจันท ร, ร์นั้นหมายถึงภิกษุหากเป็นภิกษุณีหรือเป็นอุบาสิกาก็ต้องเปลี่ยนเป็นชายนะครับทุติยสูตร ว่าด้วยเพื่อนเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นเพื่อนของบุรุษอะไรย่อมปกครองบุรุษนั้นและสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นสัตว์ยินดีในนิพพาน จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้กวิสูตรว่าด้วยกวีเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุของคาถาอะไรเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยอะไรอะไรเป็นที่อาศัยของคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ฉันในที่นี้คือฉันที่สะกดด้วยททหารกรลั น, นะครับฉันเป็นต้นเหตุของคถ า, าอักขระเป็นเครื่องปรากฏของคถ า, าเหล่านั้นคาถาอาศัยชื่อกวีเป็นที่อาศัยของคาถาเทวตาสังยุตวัคที่เจ็ดอัฐวัคหมุดว่าด้วยสิ่งรอบงาม นามสูตรว่าด้วยชื่อเทวดาทูลถามว่าอะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงอะไรไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกวา่อาอะไรเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อครอบงมสิ่งทั้งปวง ชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าชื่อเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจจิตตสูตรว่าด้วยจิตเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักไสไปอะไรเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมด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 ตันหาสูตรว่าด้วยตันหาเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักใสไปอะไรเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอานาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตันหานำไปถูกตันหาผลักใสไปตัหา เป็นธรรมะอย่างหนึง่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจสังโยชนะสูตรว่าด้วยเครื่องประกอบไว้เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละอะไรพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเลิ่เพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นาะละตัณหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพานพันธนสูตรว่าด้วยเครื่องผูก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 อภัตตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัดเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรกำจัดถูกอะไรล้อมไว้ถูกลูกสรคืออะไรเสียบไว้ถูกอะไรเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัดจุ ก, กำจัด ถูกชราล้อมไว้ถูกลูกศรคือตันหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมื่ออุทิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดักเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรดักไว้ถูกอะไรล้อมไว้ถูกอะไรปิดไว้ ตั้งอยู่ในอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตันหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ปิติสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้ เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรถูกอะไรดักไว้ถูกอะไรล้อมไว้พระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรผูกไว้เพราะกำจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะละอะไรได้จึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้ เพราะกำจัดความอยากออกไปจึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดโลกกัดสูตรว่าด้วยโลกเทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไร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 คือตาหูมาจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัและธรรมารมณ์เทวตาสังยุตวัคที่8คตาวาวัคคตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าธรรมะอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุข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 พัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงวิตสูตรว่าด้วยรัพ์เครื่องปลื้มใจเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นทรั์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ อะไรเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราดทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ธรรมะคือกุศ ล, ลกรรมมบทสิบที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ สัจจะเท่านั้นเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราดทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐวุติสูตรว่าด้วยฝนเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกลงไปอะไรประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้สัตว์ประเภทใดประเสริฐบรรดาชนผู้พูดใครเป็นผู้ประเสริฐเทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก้ว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกลงไปฝนประเสริฐบรรดาสัตว์ที่เดินได้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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐพีตสูตรว่าด้วยผู้กลัวเทวดาทูลถามว่าหมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้ยังจะกลัวอะไรอีกเล่าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุผลหลากหลายข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุดแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงเหตุนั้นบุคคลตั้งอยู่ในธรรมะอะไรจึงไม่กลัวประโลกสำหรับคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุผลหลากหลายหมายถึงตรัสบอกทางไว้แล้วด้วยเหตุผลเป็นอันมากได้แก่อารมณ์38อารมณ์38มาจากอารมณ์กรรมฐาน40คือกสินสิเว้นอารมกะกะสินและอากาศักกิน อนุสติสิบอสุภสิบพรหมวิหารสี่ทาตุววัตถานสี่อาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งอาณาปานาสติหนึ่งจึงรวมเป็น3าสิบดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปทางกายอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมาก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 เทวดาทูลถามว่าอะไรย่อมสุดโศมอะไรย่อมไม่สุดโศมอะไรเรียกว่าทางผิดอะไรเป็นอันตรายต่อธรรมะอะไรสิ้นไปตามคืนและ ว, วันอะไรเป็นมนทินของพรหมจันทร์อะไรมิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องกี่ช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโทมชื่อและโคตรย่อมไม่สุดโศมราคะท่านเรียกว่าทางผิดความโลภเป็นอันต ร, รายต่อธรรมะไวยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมวทินของพรหมจันทร์หมู่สัตว์นี้ข้องอยู่ในหญิงนั้นตะบะและพรหมจันทร์นั้น มิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างในโลกมีช่องอยู่หกช่องที่จิตตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกียจคร้านหนึ่งความประมาทหนึ่งความไม่ขยันหนึ่งความไม่สารวมหนึ่งความมักหลับหนึ่งความอ้างเลสไม่ทำงานหนึ่งพึงเว้นช่องทั้งหกนี้โดยประการทั้งปวงเถิด อิสระสูตรว่าด้วยความเป็นใหญ่เทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นใหญ่ในโลกอะไรเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันธาทั้งหลายอะไรเป็นดั่งสนิมสัตราในโลกอะไรเป็นเสนียจันไรในโลกใครนำของไปย่อมถูกห้ามแต่ใครนำของไปกลับเป็นที่รัก ใครมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหญิงเป็นสิ่งสูงสุดบรรดาพันทะทั้งหลายความโกรธเป็นดังสนิมสตราในโลกพวกโจรเป็นเสนียจันไรในโลกโจร น, นำของไปย่อมถูกห้ามแต่สมณะ นำของไปกลับเป็นที่รักสมณะมาบ่อยๆบัณฑิตย่อมยินดีกามาสูตรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์เทวดาทูลถามว่ากุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์ไม่ควรให้อะไรไม่กวนสละอะไรอะไรที่ดีกวนปล่อยแต่ที่ไม่ดีไม่กวนปล่อย พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุรุษไม่ควรให้ตนไม่ควรสละตนวาจาที่ดีควรปล่อยแต่วาจาที่ไม่ดีไม่ควรปล่อยปาเถยยสูตรว่าด้วยเสเบียงเทวดาทูลถามว่าอะไรรวบรวมไว้ซึ่งเสเบียงอะไรเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลาย อะไรผลักใสนรชนไปอะไรละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเบียงสิริเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคคสัพทั้งหลายความอยากผลักใสนรชนไปความอยาก รักได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในความอยากเหมือนนกติดบ่วงฉะนั้นบัดโชตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเป็นธรรมะเครื่องตื่นอยู่ในโลกอะไรเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่ อะไรเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกียจคร้านดุดมารดาเลี้ยงบุตรหมูสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมะเครื่องเตื่นอยู่ในโลกฝูงโค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 เทวดาทูลถามว่าคนเหล่าไหนไม่เป็นฆาสึกในโลกนี้รม a j a ์ที่อยู่จบแล้วของคนเหล่าไหนไม่เสื่อมคนเหล่าไหนกำหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยย่อมมีแก่คนเหล่าไหนทุกเมื่อมารดาและปิดาหรือพี่น้องวัยบุคคล น, นั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครเล่า กษัตริย์ทั้งหลายอภิวาสไกลในโลกนี้แม้จะมีชาติกำเนิดต่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณะทั้งหลายในธรรมวินัยไม่เป็นฆาศึกในโลกนี้ปรมจันทร์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกาหนดรู้ความอยากได้ ความเป็นไทยคือเป็นอิสระย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมื่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคล น, นั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือสมณะกษัตริย์ทั้งหลายอภิวาดสมณะในโลกนี้ผู้มีชาติกำเนิดตำ่ำเทวตาสังยุตจบบริบูรณ